ภาพที่จำได้ก็เป็นภาพที่ท่านแสดงทำในช่วงสิบปีหลังซึ่งก็แตกต่างจากเมื่อสามสิบปีที่แล้วพอสมควรน้ำเสียงก็ก็แตกต่างนะ น, น, นั้นพอได้ไปดูแล้วก็ได้ฟังก็ถือว่าเป็นเป็นการบรรยายที่หาฟังหาดูได้ยาก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 กี่คนที่อะตนักว่าเวลาถูกด่าแล้วเนี่ยจะได้เห็นสัจธรรมส่วนใหญ่ก็โมโหชุนเฉียวโกรธแล้วก็อาจจะคิดว่าเนี่ยซวยนะถูกด่าโชคไม่ดีเลย <c oughs> เขาไม่ได้เฉเลียวใจว่าก็สามารถจะเห็นสัจธรรมได้จากเหตุการณ์ที่ว่า <c oughs> เห็นสัจธรรมเรื่องอะไรบ้างนะอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเจนแล้วคือเห็น ในเรื่องโลกธรรมแปะก็คือนะมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศได้รับคำาสรเสริญก็ถูกนินทาสุขกับทุกเป็นของคู่กันในถ้าเฉลียวใจสักหน่อยนี่ก็ก็เห็นแล้วนะว่าเออมันเป็นอย่างนี้เองนะไม่มีใครที่จะได้รับแต่คำสรเสริญ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 ของหลวง ป, ปู่มั่นแต่ว่าท่านเป็นมหานิกายนะไม่ได้เป็นธรรมยุทธ์หลวงปู่มั่นก็นับถือนะลูกศิษย์คนนี้ท้านั้งที่กิริยามารยาทก็ไม่เรียบร้อยนะผงผางแล้วก็เอะวอยวายแต่ว่าเวลาเจออะไรมากระทบนี่ท่านก็นิ่งได้นะนิ่งมีคราวหนึ่งมีคนเขียนบัตรสนเทศใส่บาต ท, ท่านท่านก็รู้นะว่า มีอะไรอยู่ข้างในนะพอกลับมาถึงวัดนะท่านก็หวมจีวรสะพายสังฆติอย่างเรียบร้อยเลยแล้วก็เรียกพระเนรมาบอกว่ามานนเร็วมานนเร็วมาอ่านอมฤตธรรมเร็วเทวดาใส่บาทใหนะ้เมื่อเช้านี้หายากนะเนี่ยกันะนนเนรก็เอามาอ่านข้อความเขียนว่าพระผีบ้านะเป็นพระเป็นเจ้าแต่ไม่มีศีลไม่มี ไม่สำรวมไม่มีเสียไม่มีวินัยขอเอาแต่ขอข้าวชาวบ้านเขาพระแบบนี้เนี่ยถึงแม้จะห่อเหินโดนอากาศได้ก็ไม่มีใครนับถือนะไม่สงคณพระให้ออกไปจับวัดนี้เดี๋ยวนี้นะม่กันจะเอาลูกตะกวัวมาฝากถ้าเขียนแรงทีเดียวนะคนสมัยก่อนนี่เขาก็ก็ไม่กลัวพรนนะ ที่จริงคนที่เขียนนี่ก็คงจะตั้งใจดีนะแต่ว่าเขา ม, มีความเข้าใจว่าพระ ท, ที่ดีจะต้องเป็นพระ ท, ที่เรียบร้อยนะเขามองไ ม, ไ, มไม่สามารถจะมองเห็นทะลุไปถึงใจของหลวงพ่อทองราดวัฒน์เป็นพระที่เรียกว่าเป็นพระดีทีเดียวเป็นพระแท้ด้วยก็เขียนมาแต่ว่าท่านเสียหายมากถ้าไม่โกรธเลยนะพอเนนอ่านจบท่านก็บอกเนี่ยเอาเก็บไว้นะใต้ ฐานพระบูชาเนี่ยของดีหายากนะเนี่ยแต่ก่อนนี่ได้ยินแต่ชื่อนะว่าโลกธรรมแปดนี่เป็นอย่างนี้นะได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสารเสริญนยินทาสุขทุกขวันนี้ได้เห็นของจริงเลยนะเป็นของดีนะให้เก็บเอาไว้นะได้เห็นอของดีได้เห็นของหายากนะถ้าไม่ได้รู้สึกโกรธเลยนะท่านกลับ ใช้โอกาสนี้เนี่ยสอนเนรนะตัวท่านเองก็นะไม่ได้หวั่นไหวแล้วนะแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่ทำให้ได้เห็นว่าเนี่ยนี่แหละคือโลกธรรมนะโลกธรรมแปดเป็นอย่างนี้เองอันนี้คือสัจธรรมนะทีนะ่เราควรจะมองให้เห็ น, นะนเวลาถูกด่านี่ก็ให้ตั้งสติสักหน่อยอย่ามัวแต่โมโหโกรธา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 อาการเจ็บป่วยนี่ก็เขาก็สอนทาให้กับเราเนะว่าเนี่ยสังขารเป็นอย่างนี้เองมันไม่จีิรังมันเป็นทุกข์ร่างกายนี่มันมีความทุกข์แฝงอยู่แล้วมันพร้อมจะแสดงตัวออกมาโรคภัยไข้เจ็บนี่มันพร้อมที่จะโผล่มาพระเจ้ตรัสว่านะความเจ็บไข้อยู่ในความไม่มีโรคความแก่อยู่ในความหนุ่มสาว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 ให้ร่างกายดูดีเพื่ออะไรนะเพื่อใช้ในการเสพเสพกามนะไปล่อลวงไปล่อลอกให้ผู้คนมาหลงติดนะหรือว่าเพื่อใช้ในการทำมาหากินนะรูปร่างดีหน้าตาสาวสวย ก, ก็ก็มีเงินนะมีทองมีชื่อเสียงที่ตามมาได้เป็นดาราได้เป็นนักร้องศิลปินอันนี้ก็เพื่อนะดูดเอา ความสุขมาปรนเปลือตัวเองใช้ร่างกายเพื่อความสุขเพื่อการเสพสุขนะแต่ก็ไม่ได้ตระหนักว่าใช้ร่างกายนี่มันคือรังแห่งโรคเลยนะมันคือตัวทุกข์นะว่าหรือย่อขันตั้งห้าเป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์คือมันมันถูกมันมีความเสือ่อมมันมีความสลายมันตกอยู่ภายใต้ความบีกคั้น โรคภัยไข้เจ็บหรือแม้แต่ความปวดความเมื่อนี่ก็มันแสดงเห็นทุกข์ถ้าเวลาเราเจ็บเวลาปวดหรือแม้แต่เวลาเมื่อเนี่ยนะก็ให้รู้ว่าเนี่ยสัจธรรมกําลังแสดงตัวออกมาให้เราเห็นแล้วถ้าเราไม่หมัวแต่โมโหนะขุนเคืองความเจ็บความปวดหรือว่าความเมื่อเนี่ยใจเราก็จะค่อยๆซึมซับรับสรับสัจธรรมไป หลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกอยู่เสมอนะว่าความเจ็บป่วยมาเตือนให้เราฉลาดไม่ใช่ฉลาดทางโลกนะแต่ว่าฉลาดทางธรรมก็คือฉลาดในเรื่องของอันิ่จังทุกขรังอนัตตาป่วยทุกครั้งก็ให้ฉลาดทุกครั้งนะอันนี้ท่านก็พูดเหมือนกันป่วยทุกทีก็ให้ฉลาดทุกทีนะก็คือว่าเปิดใจเห็นสัจธรรมเรื่องความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสั่งไม่ได้บังคับให้หายป่วยก็บังคับไม่ได้นะรู้แต่เลี้ยแต่ว่าเราจะาเติมเหตุเติมปัใจจัยให้มันพอเหมาะมันก็หายป่วยได้เพราะร่างกายเราจะเจ็บจะป่วยไม่ใช่ความบังเอิญแต่เพราะมันมีเหตุมีปัจจัยมันป่วยเพราะเหตุปัจจัยและวมันหายได้ก็เพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะความอยากของเราไม่ใช่เพราะเราสั่งได้ ของหายนะก็เป็นทุกแบบหนึ่งนะพลาดพลาดจากของรักมันก็เป็นทุกแต่มันก็สอนสัจธรรมให้กับเราเหมือนกันสอนว่ารายสอนว่าข้าวของทั้งหลายนี่มันมันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงนะมันสอนว่าความพลาดพลาดสูญเสียความไม่จรลังยั่งยืนยนี่เป็นธรรมดาบางคนก็มองไม่เห็นไม่เข้าใจก็เลยเสียใจ อาไลาอาวอัมีคนหนึ่งในซักเรื่องเหตุการณ์คือสัก10ปีที่แล้วสมัยที่โทรศัพท์มือถือยังราคาแพงทําโทรศัพท์มือถือหายก็เสียใจนะกุ้ม อ, อกกุ้มใจอยากจะได้โทรศัพท์คืนเพราะามันเก็บข้อมูลไว้เยอะเบอร์โทรศัพท์ขายต่อขายมากมายทํำยังไงแทนที่จะไปหาตํารวจก็ไปหาหลวงพ่อพอหลวงพ่อท่านนั่งทางไหนได้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 ท่านถามว่ามีทองไหมมีครับเออไม่นางก็ไปมีรถไหมมีครับไม่นานก็ไปเหมือนกันมีแฟนไหมมีครับนะไม่นานก็ไปเช่นเดียวกันถามแค่นี้แกก็เลิกแล้วเลยเลิกเลยนะกลาบหลวงพ่อไปเลยไม่รอคําตอบแล้วว่าจะหาโทรศัพท์ได้ที่ไหนพ่อได้เฉลียวใจคิดเฉียวใจได้คิดแลนะ้วเนาะเออโทรศัพท์หายนี่ มันมันยังน้อยนะต่อไปจะเจอหายมากกว่า น, นี้จะเจอสูญเสียมากกว่า น, นี้และขณะเดียวกันก็ได้คิดว่าเนี่ยการสูญเสียความพัดผ้าเป็นเรื่องธรรมดานะมันไม่ใช่แค่โทรศัพท์หายเท่านั้นต่อไปก็จะหายโน่นหายนี่สูญโน่นสูญนี่เขาคงเห็นสัจธรรมแล้วนะเออการสูญเสียมันเป็นเรื่องธรรมดานะบางคนจะเรียกคนส่วนใหญ่ก็ได้จะเห็นสัจธรรมได้เนี่ย ก็ต้องมีคนมาเตือนมีคนมาบอกมีคนมาแนนะแต่ถ้าหากว่าจะเห็นเองเนี่ยมันยากแต่ว่าเราก็ไม่จำต้องเป็นอย่างนั้นนะเราก็สามารถที่จะใช้โอกาสนี้เนี่ยนะเพื่อเปิดใจเห็นสัจธรรมได้เป็นทุกข์ก็เห็นสัจธรรมไดนะ้ถูกด่าก็เห็นสัจธรรมได้หรืองเห็นสัจธรรมได้มากกว่านั้นก็ได้นะถ้าหากว่าเรา รู้จักใค ร, คร่ครวนมีสติเวลาถูกดา่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดความทุกข์ในใจถ้าเราเห็นมันนะก็เท่ากับว่าเราเห็นสัจธรรมแล้วเห็นทุกเห็นความโกรธเกิดขึ้นหรือของหายเห็นความเสียใจเห็นความอะไรอาวรณ์เห็นความขุ่นเคืองถ้าเราเห็นนะอันนั้นเท่ากับว่าเราเห็นสัจธรรมแล้วเพราะว่าทุก ก็คือสัจธรรมอันหนึ่งเนะีเป็นสัจธรรมข้อแรกเลยในอริสัตถ์สนะีอริสัตถสีนี่ข้อแรกคืออะไรก็คือทุกข์นะถ้าเราเห็นทุกข์นะที่มันเกิดขึ้นในใจที่มันเกิดขึ้นกับกายนะก็ถกิดว่าเราเห็นสัจธรรมแล้วเห็นอริสัตข้อแรกแลทุกข์เนี่ยเป็นอริสัตข้อแรกแ ล, และสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกับอริสัตข้อนี้คือ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 แล้วเป็นมันจะเห็นได้ยังไงเพราะตอนนั้นมันจมหายเข้าไปในความทุกข์ละไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายทุกข์ใจเมื่อเห็นทุกข์นะเราดูต่อไปนะมันก็จะเห็นเหตุแห่งทุกข์ก็คือส ม, มุทยัยเวลาโกรธและโมโหอะ่าเห็นแต่เพียงแค่นี้ว่าเห็นความโกรธเกิดขึ้นแต่ลองมองให้ลึกลงไปก็จะเห็นว่าที่โกรธเพราะว่ามันมีอุปาทานมีความยึดมั่นถือมั่น เช่นมีความยึดมั่นในในชื่อเสียงในตัวตนนะเวลามีความยึดมั่นในชื่อเสียงในหน้าตาในตัวตนเนี่ยมันก็ไม่ยยายใครมาแตะมีแต่อยากจะให้คนชมนะอยากให้คนสรรเสริญอะเดี๋ยวนี้ผู้คนเนี่ยมีความยึดมั่นในตัวตนสูงมากนะทำอะไรก็อยากจะให้คนชมให้คนสรรเสริญเดี๋ยวนี้นะ จะต้องถ่ายรูปตัวเองเอาขึ้น facebook เป็นประจำํำนะเจออะไรก็ถ่ายสิ่งที่ถ่ายเอาขึ้น facebook ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองอาหารนะเสื้อผ้าได้ไปเที่ยวโนนเที่ยวนี้เพื่อเอาขึ้นเพื่ออะไรนะเพื่อจะให้คนชมให้คนกดไลค์กดไลค์ไลค์แปลว่าชอบชอบใจนะถ้าคนไม่กดไลค์นี่ทุกมากเลยนะ มันเป็นการพยายามประกาศตัวตนแบบหนึ่งเป็นการแสดงตัวตนหรือประกาศตัวตนให้โลกรู้ประกาศอย่างเดียวไม่พอนะต้องขอให้ชมด้วยนะกดไลค์ถ้าไม่กดไลค์นี่โมโหนะทุกนะไม่ต้องพูดถึงวิจารณ์นะแค่ไม่กดไลค์นี่ก็ทุกแล้วนี่เป็นเป็นกันมากนะทำอะไรนิดๆไหนๆก็กดก็เอาขึ้น Facebook ประกาศตัวตนว่านี่แหละกูนะกูทำโน่นกูกินนี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นจึงมีความบบกบางมากเพียงแค่คนไม่ชมคนไม่กดไลค์ก็ทุกข์ละอันนี้มันก็สะท้อนเึ็นความยึดมั่นถือมั่นในในตัวกูนะในยึดมั่นถือมั่นในหน้าตาในชื่อเสียงจะยิ่งยึดมั่นเท่าไหร่นเนี่ยพอมีอะไรมากระทบก็จะทุกข์ไม่ต้องไม่ต้องถึงกับด่าแล้วนะแค่ไม่ชมหรือว่าไม่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 เวลาเงินหายของหายแล้วทุกข์เสียใจเนี่ยนะก็อย่ามัวแต่โทษคนนั้นคนนี้ให้กลับมามีสติรู้รู้ใจเห็นความเสียใจที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นต่อไปนะเห็นต่อไปว่าเนี่ยออมันเป็นเพราะเรามีความยึดมั่นถือมั่นในของนั้นว่าเป็นของกูของกูของกูงกนะเวลาคนอื่นทําเงินหายมากกว่านี้เราไม่เห็นเดือดร้อนเลย แถมยังแนะนำเพื่อนเด็กนะว่าเงินทองเป็นของนอกกายดูมันไปเถอนนะหาใหม่ก็ได้ถ้าเป็นของคนอื่นนี่เราพูดแนะนำเขาได้ดีดเลยแต่พอตัวเองเจอแต่พอเจอกับตัวเองเงินก็น้อยกว่าของเพื่อนตั้งสิบเท่าแต่ว่ากับเสียดายกับอะไรเพราะอะไรเพราะมันมีความยึดมั่นถือมั่นในของกู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 อันนี้ก็เหมือนกับก็เหมือนกับก็เปลี่ยนได้กับนกักปฏิบัติธรรมที่มองเห็นแต่อาการของจิตรู้ทันอาการของจิตหรือว่ารู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นแต่ว่าพอใจแค่นั้ น, นมองไม่เห็นลึกหรือสาไปไม่ไปไม่ถึงไอ้ตัวกิเลสตัณหาซึ่งเปลี่ยนมันก็หินก้อนใหญ่ๆก้อนเบอริ่มเลยมันอยู่บนถนนอยู่กลางลานแต่มองไม่เห็นเห็นแต่กวดก้อนเล็กๆนะอันนี้ยังเรียกว่ายังยังไม่ใช่นะ อาจารุทธาท่านเรียกว่าเนี่ยเักปฏิบัติธรรมแบบชาติหมานะเราต้องเป็นชาติเสือนะคือไม่ใช่เห็นไม่ใช่ไม่ใช่จัดการแต่ไม้นะที่มันมาทิ่มมาแย่แต่ว่าจัดการกับไอตัวสาเหตุที่ถือไม้นะต้นต่อของไม้นั้นนะคือส ม, มุทัยนะีลองเตือนเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยนะมันก็แสดงว่าเห็นสัจธรรมลึกเข้าไปละ นะเวลาโกรธเวลาถูกด่าว่าไม่ได้เห็นแค่โลกธรรม8ไม่ใช่เห็นแค่ความโกรธที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอเยสัตเพอแรกแต่เห็นสาไปถึงตัวตันหาอุปทานซึ่งเป็นสมุทยัยจะเห็นสมุทยัยมันก็จะเห็นนะเมื่อเห็นต้นเหตุหรือสายเห็นความทุกข์มันก็จะพบว่าสายเห็นความไม่ทุกข์คืออะไรสย่ความไม่ทุกข์คือการที่ตันหาดับอุปทานดับนะอวิชชาดับนะ และเมื่อเป็นเช่นั้นเนี่ยนะก็ต้องทําสาเหตุนั้นให้เกิดขึ้นให้ได้ทําสาเหตุแห่งการดับของอุปาทานการดับของอตัณหาตรงนี้แหละที่มักมีองค์แดจะเข้ามามักมีงค์แมาเพื่อที่จะได้สร้างเหตุปัจจัยแห่งความไม่ทุกข์ขึ้นมา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 เพียงแค่เห็นทุกข์เนี่ยไม่เป็นทุกข์นี่ก็สำคัญแล้วนะเพราะว่าเราจะรู้จักทุกข์ได้เนี่ยเราต้องเห็นมันไม่ใช่ไปเป็นเป็นนี่ก็คือเข้าไปอยู่ในทุกข์ล้นะถ้าเข้าไปอยู่ในทุกข์มันก็ไม่เห็นทุกข์นะแล้วก็มันก็ไม่รู้จักทุกข์จะรู้จักอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องออกมาไม่ใช่อยู่ในนั้นอาจารย์คันชิเคยเล่านะว่าเคยพาลูกศิษยนะ์ชาวเยอรมันเนี่ย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 แต่ก่อนอยู่วัดนี่ไม่ไม่รู้จักวัดเลยนะพอออกจากวัดเนี่ยถึงรู้ถึงรู้จักวัด ร, รู้ว่ายังไงรู้ว่าวัดเนี่ ย, งงยมันสงบไม่วุ่นวายออกจากวัดเนี่ยถึงรู้จักวัดนะแล้วแกก็บอกตอไปว่าเนี่ยนะอยู่เยอรมันเนี่ยนะก็ไม่รู้จักเยอรมันหรอก he. พอออกจากเยอรมันมาอยู่เมืองไทยถึงค่อยรู้จักเยอรมัรนนะและคิดว่าเนี่ย คงจะยังไม่รู้จักเมืองไทยจนกว่าจองเมืองไทยไปอาจารย์ก็ชก็เลยอาทิตย์ก็เคยสรุปให้ฟังว่าเนี่ยนะเราอยู่กับสิ่งใดเนี่ยเราไม่เราจะไม่รู้สิ่งนั้นหรอกจนกว่าเราจ อ, อจากสิ่งนั้นเราถึงจะรู้นะเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราใจเราอยู่ในความทุกข์นะมันไม่มันไม่รู้จักทุกข์หรอกมันต้องออกมาจากทุกข์มันถึงจะรู้ทุกข์เข้าใจทุกข์นะ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 อยู่ห่างจากสารานี้เท่าไหร่ก็จะยิ่งรู้จักหรือเห็นสาราน h i ชัดเจนมากขึ้นเพื่อเจ้าเปรียบสติว่าเปรียบผู้ที่มีสติเหมือนกับผู้ที่อยู่บนหอคอยนะอยู่บนหอคอยคือเป็นที่สูงเนี่ยก็จะเห็นอะไรชัดนะถ้าไม่มีสติก็เหมือนกับคนที่แบบว่าอยู่ในกระแสา น, าน้ำนะแบบว่าอยู่ในกระแสาน้ำนี่โอ้มันเปียบนะมันดําผุดดำว่ว้ คนที่เวลาเจอทุกข์นั่นแหละแล้วก็ไม่เห็นทุกข์เนี่ยคือเป็นทุกข์เนี่ยก็เหมือนกับยังแบบว่าอยู่ในอยู่ในความทุกข์นะแล้วจะย่งเราจะรู้จักทุกข์ได้อย่างไรนะจะรู้จักทุกข์ได้นี่ก็ต้องออกมาจากทุกข์อะไรทําให้ออกมาได้ก็คือสติสติช่ยทําให้ออกมาถอนจิตออกมาอย่างที่เราได้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 ใคร่ครวนจนเห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นสมุทยัยก็เห็นสัจธรรมอีกตัวหนึ่งนะซึ่งสําคัญมากแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ใคร่ครวญ น, นะเอาแต่คร่ําครวนเอาแต่คร่ําครวญถึงอดีตนะคร่ําครวญถึงของที่หายไปนะตีโพยตีพายเพราะถูกดา่าต่อว่าด่าทอก็เลยไม่มีไม่มีเวลาที่จะมาใคร่ครวนไม่มีโอกาสที่จะมาใคร่ครวนได้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 พราเวลาเราเจอทุกข์นั้นนะลองมองว่าเป็นของดีนะเจอทุกข์ก็คือเจอความไม่พอมีความโกรธมีความโมโหมีความมีความขุนเคืองลองตั้งสเตตสักหน่อยเนี่ยเราจะเห็นกิเลสมันโผล่มาเวลาสบายๆนี่ไม่ค่อยเห็นกิเลสเท่าไหร่นะนักปฏิบัติธรรมที่อยู่ในความสงบนะจิตสงบเยือกเยน็นไม่ค่อยเห็นกิเลสหรอกบางทีเผลอไปคิดว่าตัวเองเนี่ยบรรลุธรรมแล้วหรือว่า กิเลสนะกำลาบเรียบร้อยไปแล้วอันนี้ก็เป็นความหลงนะจะเห็นกิเลสเนี่ยบางทีมันก็ต้องเจออะไรที่กระแทกนะหรืออะไรที่มากระทบในสาวพฤตกรรมมีภาพรูปหนึ่งนะท่านคิดว่าตัวเเป็นผ้ารันเนี่ยถึงหกสิปีนะหลงคิดว่าตัวเีงเป็นผ้ารันเนี่ยนานถึงหกสิปีนะเพราะว่าจิตนิ่งสงบ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 หรืว่ากิเลสตัวนี้เราต้องจัดการมันอย่าปล่อยให้มันซุ่มซ่อนจนกระทั่งเราเผลอจนกระทั่งเราตายใจอันนั้นอันตรายมากดังนั้นที่หลวงพ่อเขีหนนั้นพูดสั้นๆ น, นะที่จริงพูดเยอะนะในในในในคำบรรยายนะั้นแต่เพียงแค่ประโยชน์ประโยชน์นี้ก็สําคัญแล้วนะถูกด่าว่าก็ยังเห็นสั จ, จะทําได้นะมีความทุกข์เมื่อใดที่มีความทุกข์ก็ยังเห็นสั จ, จะทําไดนะ้อันนี้ไปลองไปพิจารณาดูแล้วมาใช้กับตัวาจะมีประโยชน์มาก คบนี้ก็พูดกันทันีีนะครับ